เพราะฉะนั้นดูก่อนชีวะท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนว่าสมัยนั้นภิกษุนั้นคิดจะเบียดเบียนตัวเองบ้างไหมภิกษุนั้นคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไหมภิกษุนั้นคิดจะเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างไหมเอางี้หน่อยสมมติว่าเป็นพระภิกษุที่ที่ท่านเป็นพระดีอะนะอย่างยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาอยู่บ้านอยู่ณต้นไม้ผููเขาที่ไหนพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาแล้วเขานิมนต์พระองค์ไปฉัน พระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาไปถึงก็ไม่ได้คิดโอ้เนี่ยเขาเอาอาหารดีๆทั้งนั้นมาถวายเราพวกนี้เอามาถวายอีกนะแล้วก็ไม่คิดว่าคือสภาพจิตตอนนั้นก็ไม่ได้กำหนัดในอาหารเหล่านั้นและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วค่อยฉันความคิดของพิสูจน์นั้นเนี่ยนะที่อยู่ด้วยเมตตาเป็นต้นเนี่ยจะเป็นคนที่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้ใดบ้างไหมหมอชีวพบอกไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้า ตรงตรัสว่าดูก่อนชีวกสมัยนั้นพิสูจน์ชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษไม่ใช่หรือคนที่อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะอยู่ด้วยเมตตาดังกล่าวไปเรียกว่าจะฉันอาหารแบบมีโทษไหมเรียกว่ากินยาพิษไหมอันนะอย่างนี้ชื่อว่ากินอาหารที่ไม่มีโทษไม่ใช่หรือบอกว่าใช่พระเจ้าข้าหมอชีวกก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าพรหมพรหมเนี่ยมีปกติอยู่ด้วยเมตตา คำนั้นเป็นแต่ค่าพระพุทธเจ้าได้สดับมาส่วนคำนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์พยานปรากฏแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นพยานของผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติอยู่ด้วยเมตตา โดูก่อนชีวบุคคลพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะใดคือความโกรธเนี่ยนะความเครียดเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพราะราคะโทสะโมหะใช่ไหมราคะโทสะโมหะทั้งหมดนั้นตถาคตละแล้วแปล ว, ว่าปาดคอทิ้งหมดแล้วราคะโทสะโมหะเนี่ยนะละแปล ว, ว่าปาดหรือประหารเนี่ยนะประหารเชื้อทิ้งหมดแล้วมีมูลรากขาดแล้วมูลก็คือรากถอนรากเสร็จสิ้นแล้ว เป็นดุจตาญยอดด้วนหมายความว่าไม่มีการงอกเงยราคะจะไม่งอกขึ้นอีกโทสะจะไม่งอกขึ้นอีกโมห oh ะจะไม่งอกขึ้นอีกเพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะถึงความไม่มีและมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะไม่มีเกิดอีกต่อตอไปแน่นอนเพราะปัจจุบันก็ไม่มีราคะโทสะและโมหะอนาคตต่อไปราคะโทสะโมหะไม่เกิดแน่นอนเพราะสมุเทเชธาหาน เพราะอาระหัตตมรักเนี่ยนะเป็นเครื่องประหารอากุโซลธรรมเหล่านั้นหมดแล้วชีวกถ้าเลท่านกล่าวหมายเอาการละราคโทสะโมหะราคาโทสะโมหะ ท, ที่ตถาคตละได้แล้วมีมูลราคาแล้วเป็นดุจตามยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาเราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นกับท่านบอกว่าถูกต้อง เราไม่มีการเบียดเบียนจริงๆเพราะราคะโทสะโมหะเป็นเหตุให้เบียดเบียนขจัดหมดแล้วแล้วพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตาซึ่งต่างจากพรมพรมเนี่ยละละโทสะละความเบียดเบียน ด, ด้วยวิขมพนะประหารแต่พระพุทธเจ้าละโดยสมุทเชธประหารหมอชีวก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระพุทธเจ้าไม่เอาการละราคะโทสะโมหะเนี่ยนะที่พระองค์เนี่ยละ ละด้วยอรหัตมรักษ์เนี่ยนะมีมูลขาดแล้วมีตาลเป็นเหมือนตาญอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาอันเนี้ยหมายถึงอันนี้แหละวันที่พระองค์ตรัสก็ ก, ก็ก็เป็นอย่างที่ที่พระองค์ตรัสนั่นแหละว่าหมายเอาว่าพระองค์เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นพรหมผู้ประเสริฐอยู่ด้วยเมตตาในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่บริโภคอาหารก็ไม่มีฉันทะราคะในอาหารไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนตนและ ผู้อื่นขณะเดียวกันพระองค์ละราคะโทสะโมหะสําเร็จด้วยอริยมรรสเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพรหมอย่างแท้จริงว่างั้นนะพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาอันนี้เป็นนัยยะที่หนึ่งก็คือพระองค์แสดงเมตตานัยยะที่สองต่อไปเนี่ยนะก็ในข้อ59ดูก่อนชีวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปอาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีใจประกอบด้วยกรุณา ก็เจริญกรุณาเนี่ยคำว่าการุณาก็คือมุ่งที่จะบำบัดทุกเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายน้อมไปเพื่อที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์การที่น้อมไปเพื่อให้สัตว์พ้นจากทุกเรียกว่าการุณาหรือไปอยู่ณนะแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็มีใจประกอบไปด้วยมุทิตาพลอยอนุโมทนาอนุโมทนายินดีที่เขามีความสุข ยินดีที่เขาพ้นทุกข์ซึ่งต่างจากริษยาริษยาเนี่ยเจ็บใจเหลือเกินที่เขามีความสุขไม่ชอบเลยที่เขาจะพ้นทุกข์นี่เรียกว่าริษยามจะเป็นแบบนั้นแต่มูทิตาดีใจด้วยนะที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเถอดดีใจด้วยนะที่คุณพ้นจากทุกข์แล้วก็อย่าทุกข์อีกต่อไปนะพ้นจากทุกข์ตลอดไปเถอดอันนี้เรียกว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาส่วนอุเบกขาก็วางใจเป็นกลางว่าทางใครทางใคร แปลว่าทุกคนมาด้วยกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราวางใจใช่ไหมในรถทุกคันที่วิ่งบนถนนถ้าเราไม่วางใจก็ไปเที่ยวโบกวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่นี้แสดงว่าเราวางใจคันไหนจะไปทิศไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายเนี่ยเรียกว่าตามทางทางใครก็ทางใครละว่า ง, งั้นเลนใครก็เลนใครไปด้วยดีเถอะอะไรเรียกว่าวางใจได้นั้นแหละเป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจ อุเบกขานี่แปลว่าไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกอะไรอุเบกขาไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่เป็นการวางใจได้กับเออทุกคนก็อ่านะทุกคนก็รู้หนทางของตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ที่มีลูกประสบความสําเร็จความเจริญเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวเป็นต้นได้เนี่ยนะก็ก็วางใจเขาอ่านะก็เขาไปดีมีสุขแล้วเนี่ยนะต้องไปเดือดร้อนกับเขาทําไมเนี่ยนะก็คือหมายความว่ามีเมตตากรุณามุทิตาพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นคือเป็น อุเบกขาเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดหวังอะไรว่าเออเนี่ยเขามีความสุขแล้วนะเขาต้องมาตอบแทนเราไม่มีหรือเขาเนี่ยเราช่วยเขาจนพ้นทุกข์แล้วนะเขาจะต้องมาตอบแทนเราเราอุตส่าห์ไปดีใจกับเขาด้วยเขาน่าจะสงสารเราบ้างเป็นต้นอันนี้ก็ไม่มีเรียกว่าพ้นจากความติดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดอันนี้แหละเรียกว่ามีอุเบกขาอยู่ด้วยอุเบกขา นี่เจริญอุเบกคารุณามุทิตาอุเบกขาไปในทิศข้างหน้าทิศที่1นึ่ทิศที่สองทิศที่3ทิศที่4ก็รัตทั้งข้างบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเสมอกันกับคือตัวเองมีเมตตากับตัวเองฉันใดมีเมตตาในสรรพสัตว์ทุกทิศฉันนั้นตัวเองมีกรุณากับตัวเองฉันใดก็มีกรุณาต่อ สรพสัตว์ในทั่วทุกทิศฉันนั้นตัวเองมีมุ้ดทีตาดีใจกับความดีของตัวเองดีใจที่มีความสุขดีใจที่พ้นทุก์ยิ่งดีใจกับตัวเองฉันใดก็ดีใจกับสัตว์อื่นฉันนั้นเนี่ยนะตัวเองก็วางใจตัวเองว่าเราก็จักสมควรแก่การกระทําของเราแหละนะคนอื่นเขาก็ตามสมควรแก่กรรมของเขาแล้วก็วางใจเป็นกลางได้อันนั้นก็เป็น อุเบกขาอย่าลืมว่าอุเบกขาพระพุทธเจ้าให้สอนเป็นอันดับสุดท้ายเนยนะใหขึ้นต้นก็บอกทุกคนมาอะไรนะทุกคนก็ตัวใครตัวใครก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะแบบแบบแนั้นเนี่ยนะเมตตากร์คารุณากกรมุทิตากรนแล้วค่อยคุณภาพจิตสูงยิ่งกว่านั้ น, นะ น, น, น, นแล้วก็ไม่อุเบกขาเรียกว่าไม่มีข้อผูกพันเรายว่าไม่มีข้อผูกพันโดยประการใดๆทั้งนั้นเงี้ย น, นะให้เมตตาให้ให้ความเมตตาอย่างเดียวไม่มีข้อผูกพันให้ความการุณาช่วยอย่างเดียวไม่มีข้อ ผูกพันแล้วก็ยินดีด้วยมุ้ทีตาด้วยเพลิดเพลิน ด, ด, ด้วยโดยไร้ข้อผูกพันนั้นเรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าวางใจก็ให้ไปดีมีสุขเป็นใช้ได้เนี่ย น, นะทีนี้ถ้าไปอยู่ณที่ใดที่หนึ่งก็มีคนเข้าศรัทธาพอคนเข้าศรัทธาก็นิมนต์ไปเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นถ้าหวังอยู่ก็รับนิมนต์ได้เนี่ย น, นะ พอราตรีนั้นล่วงไปเวลาชาพิสุนุ่งแล้วถือบาดจีวรเข้าไปยังนิเวศของเครหาบดีหรือบุตรครืหบดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดเอาไว้ครหาบดีหรือบุตรครหบดีนั้นอังฆ่าเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีตเธอไม่มีความคิดเลยว่าโอ้หนอครหาบดีนี้พึงอังฆ่าเราด้วยบิณฑบาตอันประนีต โอ้ไปถึงมุมล่งแผลบปับ๊บขอให้ยกอาหารดีๆที่เราชอบๆอบมาให้นะอย่างไม่มีความคิดอย่างนี้ก็ไม่มีแม้ความคิดว่าพอฉันเสร็จอร่อยอรอยถูกใจในชะ่ไหมพรุ่งนี้เอาอาหารแบบนี้นํามาถวายอีกหรือถวายให้มันดีกว่านี้น้อยเป็นต้นความคิดอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้คิดชื่นชมอาหารด้วยอํานาจฉันธราคะเลยอาหารในบนโต๊ะและไม่ได้เคยโยงไปหาวันพรุ่งนี้สองวันสามวันอาทิตย์หน้าเป็นต้นเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อตอนที่ฉันก็ไม่กำหนดด้วยอำนาจโลภะไม่สยบไม่รีบกลืนกินบินตบาบดเพราะมีการปัจเจกพิจารณาใคร่ครวนมีปกติเห็นโทษเห็นโทษของอาหารเนี่ยนะแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องถ่ายถอนใจไม่ให้มีใจผูกพันในอาหารว่าถ้าคิดดูถ้าใจมีถ้าก่อนตายเรามีอาหารเป็นอารมณ์จะเกิดเป็นอะไรดีสมมติว่าบางคนนี่ก็ชอบผักมากนะนะถ้ามีผักเป็นอารมณ์นี่เป็นอะไรดียอมเชื่อไหม ผักที่ที่เรียกว่ามันอร่อยออร่อยเนี่ยนะถ้าอยู่ในป่าเนี่ยมแมลงเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจุติมีผักอันนั้นเป็นอารมณ์แล้วจุติไปเกิดกินผักใบอันนั้นแหละแต่มันกินในฐานะอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะมันสุดแท้แต่บุญบาปเหมือนั้นเถอะมันควว่าถ้าด้วยอํานาจ บ, บุญก็ไปได้ไปบริโภคผักอย่างดีถ้าบาปก็ได้กินผักอย่า ง, ง น, นั้นแหละแต่ว่าผักอะไรเนี่ยนะบอกเมื่อก่อนนะโอ้ชอบหน่อไม้นะเคยมีอยู่ช่วงหนึงโอ้หน่อไม้มันอร่อยดีเหลือเกินเนี่ยมีอยู่วันหนึ่ง ไปนั่งอยู่ที่โคนไผ่ไปเห็นไอตัวข า, ขาวๆอะอยองเรียกว่าไรยลายๆพวกคล้ายพวกอะไรพวกอะไรมันขามันเยอะๆข า, าเกินเสียข า, าเป็นสิบขาเลยตัวมันเป็นขาวๆโคลนไปหมดแล้วมันไปโอบไอหน่อไม้อ่ะนะมันไปโอบหน่อไมไอ้สังเกตโดยโดยเฉพาะพวกไผ่อะไรนะไผ่ไผ่กลมๆปล่อ ง, องๆอะไรเนะี่ยที่เขาปลูกๆนะถ้าไม่ฉีดยาฉีดลายเนี่ยโอยลายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะขาวโคลนในหน่อไม้ แล้วก็ไอ้พวกนั้นมันก oh, right ็ดำเปึ้อไปหมดเลยบอกตั้งอันนี้ไปหนอไม้เอ้ยฉันไม่ค่สนใจกันละนะนะกลัวชาติหน้ามาเกิดเฝ้าหนอไม้แบบนี้เนี่ยนะลำบากแน่ตั้งกันมานั้นมาก็ไม่ค่อยก็คือฉันได้นะแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากกลัวจะไปเกิดเป็นอะไรเฝ้าหน่อไม้แบบนั้นเนี่ยนะถามว่าไปเห็นที่ไหนเห็นที่จังหวัดแพร่ก็เลยมาคิดในใจบอกคนทั้งแพร่เนี่ยมาอยู่หน่อไม้เนี่ยกอเดียวเนี่ยหมดทั้งแพร่เลยแบบนั้นเถอะคนทั้งแพร่จะมีกี่กี่หมื่นคนใช่ไหม ทั้งจังหวัดเลยก็มีไม่กี่ไม่อาจจะไม่ถึงล้านคนทีนี้ถามว่าแล้วถามว่าทั้งคนทั้งหมดเหล่นะานั้นสัตว์เนยในกอนั้นมันเยอะมากมายเลยนะเนี่ยนะก็เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังให้ดีมา น, นะติดใจในหน่อไม้ก็ไปเกิดเฝ้าหนอหา่อไม้บางทีก็ไปเป็นแมงที่มันชนได้เนี่ยนะอยู่ในหน่อไม้หรือเป็นรถด่วนขบวนทางภาคเหนือก็จะกินรถด่วนเข้า่ารถด่วนจริงก็คือตัวหนอนนะ่ะนะมั น, ม, น, ม, นมันอะไรของเขากรอบกมันมันอ่ะนะทีนี้นก็ ถ้าเกิดกินใบไผ่อย่างเดียวเป็นแพนด้าถ้าบุญนําเกิดดีระดับนี่นก็เป็นแพนด้าไปหรือถ้ามันการ น, นั้นก็ไปเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นเจ้าของเฝ้าสวนหน่อไม้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสรุปว่ามันมันก็ถือว่าอันตรายนะถ้ามีหน่อไม้เป็นอารมณ์มณก็อันตรายถ้ามีอย่างอื่นเป็นอารมณ์เนี่ยวิจัยดูเถอะว่ามันน่ากลัวไปหมดทุกเรื่องกันลเลยอ้าวถามว่าเมื่อกลัวอย่างนี้แล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไง เขาอยู่มีความสุขอยู่ด้วยศรัทธาไม่ได้มีความสุขอยู่ด้วยตัณหาเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขอยู่ด้วยตัณหาในรูปในเสียงในกลิน่นในรสแต่มีความสุขอยู่ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครติดใจในผักอะไรอะไรไว้ก็ระวังเฝ้าผักอันนั้นี่เฝ้าแปลงผักเนี่ยนะผักที่อร่อยอรอยโดยมากนัแมลงมันใชย่ยากแมลงมันชอบเขาฉีดยาทั้งนั้นแหะส่วนใหญ่หนะเว้นไว้แต่แบบวปลูกผักแบบสาม้งอะนะที่เราปลูก ผักในม้งอะ่ะก็ยังชั่วหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าโดยมากแล้วก็โอ้มแมลงเนะนี่ยชอบชอบเนี่ยนะพวกมแมลงพวกอะไรเป็นต้นแล้วมแมลงไปจากไหนอยอมนนะเคยเดินไปในหญ้าแห่งหนึ่งที่สวนยอมคนหนึ่งเขาปลูกผักทานเองทีนี้บางทีบางช่วงเนี่ยหญ้ามันขึ้นเต็มไปหมดเลยทีนี้เวลาคนงานเดินเข้าไปในพงหญ้าเท่านั้นนะยอมแมลงเนี่ยมันบินเหมือนกองทัพเลยนะมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่ให้ฝุ่นอะ มันฟุ้งขึ้นเหมือนฝุ่นน่อแต่มันมแมลงทั้งนั้นเลยนะถามว่ามันกี่ตัวโอ้ยสัพเพสัตาทั้งนั้นแหละเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็เพลิดเพลินในสิ่งใดก็ถือว่าอันตรายสูงเนี่ยนะนะก็จริงก็ทุก ท, ทุกแห่งมันอันตรายอ่านะถ้าคิดถึงน้ําเออจะชอบเล่นน้ําน่ยนะคิดถึงน้ําก่อนจูเต็มเป็นอะไรดีเป็นโลมามีไม่กี่ตัวหรือมั้งเป็นบราซิลปราสอยอะไรมีอยนะนะ่างไบ้างมา มันก็ก็ต้องระวังให้ดีว่าเออเนี่ยคิดถึงอะไรและใจเกาะเกี่ยวกับสิ่งไหนนะใช่แล้วว่าเมื่อวิญญาณตั้งมั่นในสิ่งใดนามรูปจะอย่างลงในสิ่งนั้นเมื่อนามรูปอย่างลงในสิ่งใดสลายตนะก็เป็นไฟผัสสะเวทนาจะไปไหนก็แปลว่าอยู่แถวนั้นเลยเนี่ยนะมันก็ต้องระวังให้ดีๆเนี่ยนะ